ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่แสดงไว้เป็นส่วนรวมนับพอประมาณที่8สี่พันพระธรรมขันธ์ถ้าเป็นสินค้าก็มีทุกประเภทบรรจุอยู่ในห้างร้านใหญ่ๆลูกค้าต้องการสินค้าประเภทใด คุนค่ามีมากน้อยสูงต่ำประการใดทุนทรัพย์ของตนมีเพียงไหลต้องการชนิดไหนได้าหาเลือกได้ในห้างร้านใหญ่ๆนั้นเพราะสินค้ามีทุกประเภทสำหรับสนองความต้องการของลูกค้าทั้งหลายที่เข้าไปเกี่ยวข้อง นี่เราเทียบถึงเรื่องคุณสมบัติของถังเพื่อประโยชน์แกสัตว์โลกทั้งหลายที่มีความมุ่งหวังต่อคุณงามความดีทั้งหลาย มันมีประเภทต่างๆกันท่านจึงสอนไว้ในธรรมว่าอนุอูปิกถาพระองค์ทรงแตะทรงแสดงธรรมไปโดยลำดับเพื่อขัดกลากิเลส ข, ของจัดตทั้งหลายตั้งแต่พื้นพื้นนห่รรมขึ้นไปจนกระทั่งถึงมิมุติหลุดพ้นหนักก็เหมือนกับสินค้าที่มีอยู่ในห้างร้านใหญ่ๆนับแต่สินค้ า, าราคาต่า จนกระทั่งถึงราคาสูงสุดไม่ไม่มีอัดไม่มีอันไม่มีบกพร่องขาดเขินในห้างร้านนั้นๆเพราะเต็มไปหมดด้วยสินค้าที่ลูกค้าทั้งหลายต้องการมีเรื่องคุณธรรม คือเรียกว่าบุญกุศลคือจะพึงได้แก่ผู้บําเพ็ญก็เหมือนกันนับแา่ท่านแสดงไว้มีห้าประการที่นับพอประมาณทานสีสวรร ค, ค์อาทินบเนคขมมะคือ ทรงแสดงผลแห่งการให้ทานการสงเคราะห์ให้ทานมีหลายประเภทให้ทานด้วยศรัทธาความเชื่อความอมใสประกันให้ทานด้วยการบูชาบุญชาคุณประกันให้ทานด้วยความเมตตาสงสารประกันหลายประเภทคำว่าให้ทานและผลก็มียิ่งหย่อนต่างกัน ให้ทานด้วยความเชื่อความนุ่งใสนั่นเหมือนอย่างเราให้ทานถวายทานพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านหรือให้ทานพระสงฆ์ที่ตนมีความเชื่อความนุ่มเคารพรุวมสนี่มีอานิสงฆ์มากอันอยากให้ทานตอบสนองบุญคุณท่านผู้มีบุญมีคุณต่อเราเนี่ยนี่ก็มีผลเป็นลแบบําดับลำดาเช่นเดียวกันแล้ว ทำหรือสงเคราะห์ผู้ที่ยากจนเข็นใจไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้ก็ช่วยสงเคราะห์สงหาเหล่านี้เป็นต้นก็ลว้วนแล้วแต่เป็นอานิสงส์แต่ละอย่างละอย่างรวมลงไปก็เรียกว่าบุญนี่แหละตั้งแต่บุญพื้นพื้นนี้เป็นลำดับลำดาไปแล้วก็ศีลคือการรักษา ตัวให้มีคุณค่าตัวของเราเนี่ยที่จะให้มีคุณค่าต้องมีศีลเป็นเครื่องประดับถ้ามีแต่ร่างกายเฉยๆกายวาจาเฉยๆใช้ไม่เป็นประโยชน์ก็หาคุณค่าไม่ได้ก็ะฉะนั้นจิงต้องมีศีลเป็นเครื่องกำกับเพื่อคุณค่าแห่งกายวาจาใจของเราจะได้สุดสวยงดงามและมีคุณค่าสูงยิ่งขึ้นไปโดยลําดับสิละ ท่านแปลว่าปกติหรือแปลว่าหินความประพืิตนด้วยความแน่นหนา ม, มั่นคงไม่หวั่นไหลยโยกคลอนไปตามสิ่งโยโยนทั้งหลายนั่นท่านเรียกว่าปกติหรือท่านเรียกว่าหินคือความมั่นคงท่านเรียกว่าศีลศีลก็ออกจากสามว่าศีละคือหินนั่นเอง มีความมั่นคงต่อการรักษาคุณค่าของตัวการพูดออกไปอันใดที่จะตัดรอนหรือลดคุณค่าของเราลงเช่นตัวอยา่างเช่นค่าสัตว์นี่คำว่าสัตว์เป็นสัตว์กลางๆนับแต่มนุษย์ลงไปและแยกเป็นประเภทประเภทในหลายประเภทเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นบอ่อแห่งโทษทั้งหลาย ซึ่งจะทําความคิดหายล่มจมแก่ตัวผู้ทําไม่เพียงแต่ผู้ที่ถูกทํานั้นได้รับความล่มจมคิดหายหรือตายไปเท่านั้นตัวผู้ทําเองก็เป็นเช่นเดียวกันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงว่าการรักษาสิ่งจิตเป็นการรักษาคุณค่าของตอนเอาไว้ท่านจึงไม่ให้ทํามีอธิบายเพียมย่อๆ ย, ย่อๆยยยยแต่ละประเภทที่ พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในความดีทั้งหลายที่เราจะพึงรักษาศีลก็เป็นดังที่ว่ามานี่ครับพูดออกไปมีด้วยความสัตย์ความจริงใจที่บงการเพื่อาการพูดการกระทานั้นๆก็ต้องเป็นใจที่สุดจริตใจเป็นธรรมกายวาจาริงจะเป็นศีลและเป็นธรรมไปตามๆ ใจมันนีอนุพิคถาท่านแสดงไงผู้มีศีลาหรั บ, บควรว่าท่านสอนถึงศีลห้าคือปานาอากินาการฉกการลักไม่ใช่ของดีเป็นการทำลายสมบัติและจิตใจของผู้เป็นเจ้าของให้คาเริกสืกสารไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยฆ่ากันก็ได้มนุษย์เราเมื่อไปทำลายของกันอากาันไปฉกไปลักไปต้นไปขี้ของเขา ให้กันด้วยน้ําใจให้เท่าไรก็เป็นความปีติยินดีเป็นบุญเป็นคุณทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างยิยง้มแย้มแจ่มใสให้เท่าไรไม่มีโทษมีแต่คุณล้นล้วนยังความปีติยินดีให้เกิดขึ้นด้วยกันทั้งสองฝ่ายมันผิดกันกับการไปบีบบังคับเอาหรือไปฉกไปขโมยเอาการให้ด้วยน้ําใจเป็นเช่นนั้นนหะ มัตุสมบัติมีมากน้อยเพียงไรก็เป็นบุญเป็นคุณแก่ผู้ให้และผู้รับต่างฝ่ายต่างยิ่ยแยมแส่มแสและสนิทสนมเห็นบุญเห็นคุณต่อกันอย่างถึงใจคือการให้ด้วยความรู้สึกใจผิดต่อการไปฉกไปรักไปต้นไปโด ม, ดมเอาเป็นไหนไหนท่านจึงห้ามกาเมสุมิชชาจาร์ก็เหมือนกันหลักของธรรมหลักของมนุษย์ต้องเป็นผู้รักศรีนรักธรรม รักษาน้ำใจกันสามีภรรยาเป็นสิ่งที่รักต่อกันอย่างยิ่งตากเป็นตากตายไม่มีอันใดที่จะมีคุณค่ามีเป็นเครื่องฟังใจยิ่งกว่าระหว่างสามีภรรยาที่ฝากเป็นตากตายต่อกันเพราะความรักกันท่านจึงให้รักษา ศีลข้อนี้ให้มีความแน่นหนามั่นคงเช่นเดียวกับหินอย่าไม่ให้โยกคลอนแต่ละข้อละข้อไม่ให้โยกคลอนให้รักษาให้มั่นคงมีประเพณีของผู้มีศีลมีธรรมย่อมเป็นเช่นนี้ผิดกับคนที่ร้ายศีลร้ายธรรมอยู่มากทีเดียวผู้มีศีลมีธรรมมีคุณสมบัติประจำมนุษย์ ต้องเป็นผู้มีศีลมีกราวเพียงยอ่ๆแต่ละข้อละข้อเพื่อให้พอเหมาะสมกับวิล่มเวลาเรื่องศีลข้อที่ 3. สศีลคำว่าศีลสำหรับฆราวาสท่านแสดงอนุบุพิคถาแสดงส่วนมากท่านแสดงสอนฆรวาสญาติโยมรักษาศีลมุสาของมือนกันสุรา คือความโกหกมุสาไม่ใช่ของดีความโกหกเป็นสิ่งที่ทำความเสียหายแก่กันไม่น้อยโกหกต้มตุนหลอกลวงเหล่านี้เป็นความเสียหายมากมายท่านไม่ให้ทำสุราก็เหมือนกันดูนั่งเมาฟังแต่ว่าสุราคนดีๆอยู่นี่เวลา ดื่มชูลาลงไปแล้วจะเปลี่ยนแปลงไปโดยลําดับลําดาอย่างรวดเร็วนับจากปกติขั้นปกติจติมกายเป็นละเมอเพ้อฝันเป็นบ้าไปเลยนะเพราะไม่ใช่ของดีไปสัมผัสสัมพันธ์ใครเข้าไปก็ทําคนนั้นให้ลดคุณค่าลงไปลงไปจนกระทั่งถึงเป็นบ้าทุสุขร้อนๆได้นัท่านจึงห้ามไม่ให้ทำํำนี่แหะที่ว่าทานท่านแสดงอนุพิกถา แปลว่าทรงแสดงธรรมปโดยลําดับหรือแปลว่าการแสดงธรรมปโดยลําดับตั้งแต่พื้นพื้นแห่งธรรมจกระทั่งถึงสูงสุดพิมุตพระนิพา น, นนี้ว่าอนุปพิกถ า, าแสดงไปโดยลําดับจากนั้นท่านกับพระนาถึงสวรรค์สําหรับผู้มีบุญมีคุณได้สร้างบุญสร้างกุศลอย่างไงก็ไม่พ้นที่จะต้องไปสวรรค์ตุนได้เนี่ย ผู้มีศีลมีทานแล้วต้องได้ไปแน่ๆน่สวรรค์ก็มีหลายชั้นตัง้งแต่จ้าตุมขึ้นไปดาวดินยามาดูสิ ม, ม, มามาดีอรณิง ม, มิตรอนิ ม, มิตรวสาวดีจนกระทั่งถึงพรมที่หกชั้นนี่เป็นที่อยู่ของคนที่มีบุญ ไม่สร้างสมอบรมเอาไว้เป็นบุญเป็นกุศลอย่างนี้นี่เป็นที่อยู่ของผู้มีบุญผู้มีบุญทั้งนั้นไปการอยู่ของความเป็นอยู่ของผู้มีบุญสถานที่ของผู้มีบุญต่างกันเป็นระดับ ด, ดา่างนี่ท่านแสดงถึงเรื่องสวรรค์ อานสองแห่งการทำบุญให้ทานรักษาศีลเนีไปสวรรค์ได้จาก น, น, นั้นก็พูดเพื่อก้าวให้ธรรมะที่ขั้นสูงกว่านั้นไปก็พูดถึงหนึ่งอาทินบคือโทษแห่งความรักความชังความไข้ความสนใจในวัตตะบุญไม่มีจบมีสิน้นแม้ไปสวรรค์ก็ตาม ไม่ควรจะนอนใจเพียงสวรรค์ว่าเป็นของดีแล้วเท่านั้นนะท่านแสดงไปโดยลาดับอย่างนี้เองพรมโลกอายุตั้งแปดหมื่นปีก็ยังต้องหมดได้นับแต่หนึ่งไปถึงแปดหมืนปีนับไปทุกขณะขณะขณะล่วงไปทุกขณะขณะตั้งแต่วินาทีหรือว่าละเอียดกว่าวินาทีขึ้นไปจนกระทั่งถึงแปดหมื่นปีของเวลา แล้วกับประยุติกันที่ตรงนั้นสิ้นสุดนั้นแล้วก็ได้เคลื่อนเปลี่ยนแปลงได้อยู่เหมือนกันท่านถึงสอนว่าไม่ใช่เป็นของแน่นอนเพราะมีอนิจจังทุกขังนาตาเหยียบย่าทาลายถึงอยู่ได้อยู่ยังไม่จัดว่าเป็นของที่แน่ใจตายใจได้ท่านถึงแสดงถึงว่า าทินกแปลว่าโทษแห่งความรักความชังความเกลียดความโกรธความหนุนเยียนของวัตวลแม้จะไปอยู่ดีขนาดไหนถ้ายังมีอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าถึงอยู่แล้วก็ไม่พ้นจากความพับรากจากกันไปและเป็นความทุกข์มากน้อยสับปนกันอยู่นั่นแหละนั่นแหละลวะทำยังไงจริง ถึงจะให้หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ น, นั่นก็แสดงถึงแบบเนกขั ม, มะหรือบำเพ็ญตนเพื่อสลัดปับทิ้งสิ่งเหล่านี้ออกไปให้ถึงฝั่งพ้นคือพระนิพพานโดยถ่าเดียวเท่านั้นจะไม่ต้องเบกเยียนเปลี่ยนแปลงไปมาที่ไหนอีกต่อไปเลย น, ะนี่อนุกิกถ า, ามีห้าประการดังที่กล่าวมันคือทานศีลสวรรค์อาทินโนก เนกข ม, มะคือการออกไปหรือจะมาออกบวชก็ได้เนื้อออกด้วยทาง จ, จิตใจเนกข ม, มะคือพยายามภาวนาสลัดสิ่งที่เป็นข้าศิษ ต, ต่อใจของตนสอบไปโดยลําดับลาดาจนกระทั่งถึงออกได้โดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นถึงพระนิพพานนั่นแหละธรรมเนกข ม, มะ จนกทั่งถึงที่สุดีิมุตหรือพ้นมี่ถ้าหากเราจะเทียบในอ่มันเทียบในสินค้าในห้างร้านแล้วก็ดังที่กล่าวมานั่นแหละไม่มีอะไรบกพร่องเลยาศาสนธรรมของพระพุเทธเจ้าจึงมีทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าความดีความละเอียดละออและความอัศจรรย์ ไปโดยลำดับลำดาจนถึงความอัศจรรย์เกินโลกเกินสงสารไม่มีอะไรเกินธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ได้เข้าสัมผัสสัมพันธ์หัวใจของผู้ปฏิบัตินั่นเลยธรรมมีอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนก็จริงแต่ไม่ปรากฏเป็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์แก่ผู้หนึ่งผู้ใดต่อเมื่อผู้ปฏิบัติได้เข้าสัมผัสสัมพันธ์ถึง ในธรรมทั้งหลายเป็นลำดับลำนาจนเข้าถึงใจเต็มที่กลายเป็นอันเดียวกันธรรมกับจิตไม่แยกจากกันเลยนั่นแหละเป็นธรรมอันประเสริฐเลิดยิ่งกว่าโลกทั้งหลายตั้งแต่ธรรมพื้นพื้นผู้สร้างความดีทั้งหลายนั่นแหละเป็นผู้จะได้ชมธรรมที่กล่าวมาแม้เป็นธรรมสุดยอดก็ไม่พ้นจากการพยายาม บำเพ็ญเหมือนกับเราเก็บเล็กผสมน้อยหรือเช่นเดียวกับฝนตกลงในพื้นประกัีของเราเม็ดฝนแต่และเม็ดนี่ไม่ได้โตเท่าเม็ดมะมะพระ้าวอะไรเลยแต่ตกไม่หยุดไม่ถอยก็ทำสถานที่ให้เต็มไปด้วยน้ำดังที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละ นี่ก็เหมือนกันการสะสมสั่งสมคุณงามความดีด้วยการให้ทานรักษาศีลภาว น, นาซึ่งรวมแล้วเรียกว่าความดีเทีเรยรเล็กและน้อยก็เหมือนกันกันกนกบเม็ดฝนที่ตกลงมาในพื้น ป, ะสะปัสสาหากมากขึ้นเองมากขึ้นเองจนกระทั่งถึงมีมุดหลุดพ้นไม่ใช่ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเลยที่สามารถจะสร้าง คำาดีขึ้นในขนาดเดียวแล้วเต็มหัวใจหลุดพ้นไปได้เลยนั้นไม่ปรากฏในคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็เหมือนกันต้องอาศัยการสั่งสมอยู่โดยสม่ำเสมอไม่หยุดไม่ลดไม่ละแล้วก็เติบโตขึ้นเจริญขึ้นแม้จะเวียนว่ายตาเกิดแนวัาตาสงสารก็เวียนว่ายไปด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกุศล ผู้พาให้เย็นไหวก็คืออวิธาเชื้อแห่งความเกิดพาให้เกิดก็จริงแต่สถานที่ที่อยู่ที่ไปนั้นด้วยอำนาจแห่งบุญเป็นเครื่องประคับประคองย่อมยังผู้ไปนั้นให้ไปเป็นสุขอยู่เป็นสุขไม่ได้มีความทุกข์ความยากความลำบากเหมือนคนที่ไร้ความดีทั้งหลายเลยผิดกันความดีกับความชั่วคนดีกับคนชั่วอยู่ด้วยกันก็ไม่เหมือนกัน มีความแตกต่างกันอยู่นั่นแหละแต่เกิดในพบต่างๆก็แตกต่างกันสถานที่อยู่แห่งพบนั้นๆและการเสวยความสุขความทุกข์ก็แตกต่างกันโดยลําดับลําดาของผู้มีกรรมต่างกันแม้ความดีถ้าผู้มีกรรมดีมากก็ต่างกันกับผู้มีกรรมดีด้วยกันเหมือนกันกรรมดีมีน้อยความดีมีน้อยบุญมีน้อยกับผู้มีบุญมีมากโดยลําดับลําดานี่ก็ต่างกัน ต่างไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงวิมุตตุดพ้นนั่นแหละจึงจะเหมือนกันในหลักธรรมชาติคือจิตที่บริสุทธิ์ทรงวิมุตต์บารมังฝุก ข, ขังคือความสุขอันยอดยอดเยี่ยมไม่มีอะไรเกินกันเนี่ยปราดทั้งหลายท่านจึนให้สอนให้บำเพ็ญความดีเพราะใจนี้เป็นพื้นฐาน อยู่แล้วสําหรับรับทั้งบุญทั้งบาปไอเรื่องกลมายาของกิเลนนั้นมันจะต้องหลอกอยู่ทุกเวลานลลาหาประมาณไม่ได้หากไม่มีธรรมะมาเป็นเครื่องที่แนวทางหรือเหมือนเหมือนกับว่าไม่มีธรรมะมาเป็นธรรมโอสถแล้วสัตว์โลกทั้งหลายก็จะจมอยู่ตลอดไปหาวันหลุดพ้นจากทุกไม่ได้เลย เพาะถูกกล่องจากวิเดศทั้งหลายอยู่ตลอดมานี่เรายังดีได้เกิดมาพกพระพุทธศาสนาและเป็นช่องที่เหมาะสมที่สุดในชาติของเราที่ได้เกิดมาพกพระพุทธศาสนาด้วยไม่เพียงแต่เกิดเป็นมนุษย์แล้วยังได้พกพระพุทธศาสนาได้กราบไหวบูชาและนึกถึงท่านผู้วิเศษคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วได้บําเพ็ญตนด้วย คุณงามความดีทั้งหลายไม่ลดละนี่เป็นเชื้ออันสําคัญที่จะแทรกซึมเข้าสู่จิตใจของเราจนกลายเป็นนิสัยของคนมีบุญเรียกว่านิสัยวาสนาขึ้นมาภายในจิตใจของเราเพราะการสร้างความดีไม่ลดละนะามเหมือนเราปลูกต้นไม้เมื่อบุกขึ้นแล้วก็ต้องแสดงบิ หนใบดอกผลขึ้นมาจนสุดท้ายก็แก่ขึ้นมาเป็นดอกเป็นผลได้รับประโยชน์ความดีของเราก็เหมือนกันเราสร้างขึ้นนะ ก, ก็แก่ได้เหมือนกันเมื่อสร้างมากขึ้นมากขึ้นก็แก่ได้ท่านว่ามีอุปนิสัยสามารถมีวิา ส, าาา ส, าาสัยเต็มที่หรือสมบูรณ์แล้วนั่นแหละคือความแก่เป็นผู้มีสายแก่กล้านะ ก็เพราะการสร้างมาหยู่มาหยุดไม่ถอยนั่นแหล ะ, และกลายเป็นความแตกร่าเองแล้วก็สามารถจะหลุดพ้นไปได้การึิสอนให้บาเพ็ญบุญเราได้เกิดมาในช่องแห่งพระพุทธศาสนาอันเป็นช่องที่เหมาะสมที่สุดการเวลาที่เหมาะสมที่สุดจึงไม่ควรให้การเวลาหรืออัตภาพร่างกายของเราได้ผ่านไ ป, ปเปล่าๆโดยหาประโยชน์ท า, ทางความดีไม่ได้ สร้างความดีอันนี้หากมันพอที่จะหลุดพ้นถึงนิพพานในชาตินี้ก็ยิ่งเป็นบุญลราบอันประเสริฐเลิศเ ล, เลอของพวกเราเองหากจะยังไม่ถึงความดีนี้ก็จะได้เป็นเครื่องสนับสนุนเราเรียกร้องหาความช่วยเหลือหาสิ่งพึ่งพิงอิงอาศัยหาที่ยึดที่ถือ ท, ท, ที่ปิดกั้นกำบงังความชั่วทั้งหลายเราก็จะเจอ ด้วยอำนาจแห่งความดีเป็นเครื่องสนองเป็นเครื่องตอบแทนเดาในพบน้อยพบใหญ่พบใดก็ต่างความดีนี้เป็นสิ่งที่เราหวังพึ่งเป็นพึ่งตายได้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมากราบเท่าที่จิตใจนี้ยังไม่สามารถติชะสลัดปัดทิ้งสิ่งที่เป็นเชื้อพาให้เกิดนี้ได้เราจะต้องอาศัยบุญคุณงามความดีนี้ตลอดไป เพราะเรื่องการเกิดการตายนั้นอย่างไรก็แน่ร0อยเปอร์เซ็นแม้มีพันเปอร์เซ็นก็ต้องเป็นพันเปอร์เซ็นใจดวงนี้ขอจะเชื้อของมันยังมีอยู่เถอะคำว่าเชื้อก็คืออวิชาปัิญาสร้างข่าราสร้างข่าราปัิญาวินงานหนังนี้เป็นต้นนี่เป็นสำคัญมากที่สุดไม่มีใครที่จะรู้ได้ค้นพบได้สลัดปัดทิ้งออกได้ นอกจากพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นเป็นพระองค์แรกทรฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ประเสริฐเลิศเลอที่สุดในสามแดนโลกธาตุนี้เนื่องจากไม่มีใครแนะนําสั่งสอนให้อุบายพระองค์เลยพยายามตะเกียกตะกายไปจนกระทั่งถึงได้บรรลุธรรมคําว่าบรรลุธรรมก็คือได้สังหารเชื้อแห่งความเกิดในภพน้อยภพใหญ่ทั้งหลายได้ด้วยอํานาจแห่งทัพป ร, รีชายานของพระองค์นั่นแหละ ท่านเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงในสิ่งที่พาให้เกิดที่แทรกอยู่ภายในใจของบิญญาณแต่ละดวงระดวงไม่ไ ม, ไม่ไม่มียกเว้นเว้นก็เว้นเฉพาะที่ท่านผู้ใจที่บริสุทธิ์แล้วเท่านั้นเช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์นอกจากนั้นไม่มีเว้นเมื่อไม่มีเว้นแล้วก็ไม่มีเว้นที่จะต้องเกิดตาย อยู่ตลอดไปเรื่องหลักธรรมชาติเป็นเช่นนี้เ่ิงไม่เคยพูดเสมอว่าพระหันเท่านั้นที่จะเป็นคัดที่จะเป็นผู้ยืนยันในความรู้ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้เอานี้เป็นหลักใหญ่เลยทีเดียวหลักอันดับอันดับแรกคืออะไรก็คืออวิชชาปัจจยา พระหารเป็นผู้ได้สังหารอวิชานี้ออกจากใจได้หมดโดยสิ้นเชิงเป็นจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่นี่เป็นเครื่องยืนยันให้ได้กราบพระพุทธเจ้าอย่างสนิทติดใจฝากเป็นฝากตายไม่มีใครที่จะกราบพระพุทธเจ้าได้สนิทยิ่งกว่าพระทหารท่านเพราะกราบด้วยความเห็นบุญเห็นคุณกราบด้วยความยอมรับ กราบด้วยการที่เอาจิตของตนนี้เป็นสักขีพยานยืนยันกับความเป็นจริงของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้และเป็นผู้บริสุทธิ์ไปแล้ว น, นั่นนี่แหละนี่อภิชาเนี่ยพระหลานทุกๆองค์จะต้องรู้เหมือนกันหมดพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกมาให้อุบายวิธีการต่างๆนเพราะท่านพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ที่เลิศเลอที่สุดพ่วาสยำผูทรงรู้เองเห็นเองสาวกทั้งหลายยังได้ ในรับอุบายแนะนำจากพระพุทธเจ้าซึงพอมีอุบายขึ้นภายในจิตใจและปฏิบัติตนจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์พุโทโธขึ้นมาได้นี่แหละอวิชชาตัวนี้ล่ะเป็นตัวสำคัญที่สุดฟังอยู่ภายในจิตใจมีตัวนี้พาให้เกิดบูนบาปเอาพาให้ไปสูงไปต่ำนะเรื่องเกิดนั้นต้องแน่เกิดแน่แ่น่ะ ทนี้จะเกิดดีหรือเกิดชั่วล่ะเกิดพบใดสูงหรือต่ำล่ะนักถ้าถ้าต่ำก็คืออำนาจแห่งการทำบาปทำบาปมากทำความชั่วช้าหลามกมากก็กดลงทางต่างนี่เป็นไปด้วยยีบากตรที่สูงสู ง, สงต่ำ ต, ำตำนั้นเป็นไปด้วยยีบากมีชัว่วอันเรื่องพายเกิดนั้นเป็นเรื่อำนาจของอริชาทัากันจำให้ดีนะ สูงอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลพาให้ไปแม้จะยังไม่สามารถสลัดตัดอวิชชาตัวพาให้เกิดได้ก็ตามแต่จะได้ไปเกิดในที่ดีดีกว่าผู้ไปเกิดในที่ที่ชั่วเหมือนยังไปตกนรกทั้งเป็นนี่เขาติดกุกติดตารางนี่ไปเมืองผีก็ไปตกนรกเมืองผีไม่มาไงท่านที่สอนให้บาเพ็ญเพราะยิตนี้ เรียกร้องหบความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาจากเจ้าของคือสติปัญญานั่นแหละเป็นเจ้าของของจิตผู้มีสติมีปัญญาย่อมประคองจิตไปในทางที่ถูกต้องดีงามจะเป็นความพาสูนย์ใจตลอดไปทั้งพบนี้และพบหนักถ้าผู้โง่เขลาววปัญญาลืมเนื้อลืมตัวลืมโลกลืมมุสาลืมเป็นลืมตายลืมไปเสียหมดขึ้นชื่อว่าความดีแล้วผู้นั้นแหละจะเป็นผู้ สั่งสมแต่ความชั่วช้าละโมกเข้ามาเผาลนตนเองบีบบังคับตัวเองถึงจะรอกเพียงหักที่จะเรียบร้องหาความดิบความดีความถุกความเจริญเท่าไหร่ก็ไม่เจอเพราะเราไม่ได้สร้างเอาไว้ก็มีตั้งแต่ความชั่วช้าละมุบกบีบบี้สีไฟพานนจิตใจอยู่ตลอดเวลาในภพนั้นๆ น, น, น่ะจึงไม่เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาเลยก็เมื่อเราทราบอยู่ด้วยหวัวใจของเราเช่นนี้แล้ว และเป็นผู้รับผิดชอบใจของตนตลอดมาอยู่อย่างนี้แล้วทําไมจะไม่พยายามดัดแปลงแก้ไขความที่เคยเป็นมาในสิ่งไม่ดีทั้งหลายของตนให้ดีขึ้นโดยลําดับกลาดาเรามนุษย์เราต้องทำํำแล้วใครที่จะเชื่อได้โอว่าตายคําสอนใดที่จะเชื่อได้นอกจากคําสอนคำมัคคุริจ้าขนี้ก็ลําบากเหมือนกันนะที่จะสอนให้คงแนวตามความจริงทั้งหลายได้นะ เมื่อเราได้รับโอว่าคําสอนผู้เจ้าอยู่แล้วเราจะเชื่อใครอีกเป็นหี่มันสําคัญอยู่ที่ความกระซิบกระซาบอยู่ภายในจิตใจของเราคือตัวกิเลสนั้นสําคัญอยู่มากนะมากจะประเชื่อมันมากกว่าทำเสมอไปเพราะฉะนั้นเราถึงหลวมตัวไปทําความเชื่อช้าละมกได้มนุษย์เราแล้วกับหลวมตัวไปเกิดในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาสถานที่ไม่พึงปรารถนาได้เช่นเดียวกันเพราะความลืมตัวอย่างนี้เองนะ เมื่อเปลี่นชนี้เจีงพยายามให้รู้สึกตัวเสียตั้งแต่บัดนี้ต่อไปหากไม่รู้อะไรมากนักก็ขอให้พยายามสอนตนตั้งแต่บัดนี้ต่อไปอย่าได้หลวมตัวเข้าไปในสิ่งไม่ดีทั้งหลายปราดทั้งหลายไม่เคยโกหกโลกเลยว่าบาปมีมีจริงๆบุญมีมีจริงๆนรกมีมีจริงเคยเผาสัตรทั้งหลายมากี่กับกี่กันแล้วนรกนี้ทาไมจะไปลบล้างมันได้ล่ะ นรกนรกนี่เคยเผาผลาญสัตว์ตั้งหลายที่ไปตกนรกมากี่กับกี่กันนับได้เมื่อไหร่แล้วจะไปลบลาา้างมันได้ยังไงว่านรกไม่มีแล้วพูดทําบาปทํากรรมเราก็เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาอย่ า, ยางทุกวันนี้ก็ดูเป็นยังไงมีคนทําบาปไหมทุกวันนี่เราพูดแต่งเพียงแค่ตานาเท่านี้แหละมันเด่นไหมในโลกเวลานี้คนทําลายศีลทําทําลายตัวเองจนหาคุณค่าไม่ได้เราเห็นไหมตานาเนี่ย อ, อธินา กาเมสุนิชชาฌานมูสาสุราเอาเพียงห้าข้อต่านี้แหะนี่แหละคือเครื่องสังหารตนเครื่องผลักตนลงไปสู่นรกคือธรรมชาติเหล่านี้เองการกระทำสิงเหล่านี้เราเห็นไหมว่าเวลานี้มีคนทำใหม่เราลบล้างได้ไหมนอกจากคนตาบอดแล้วหูมั น, ห, นหูมันดีมันยังจะได้ยินอีกไอ้คนคนทำชั่วนะ่ะ ถ้าไม่เห็นด้วยตามันยังจะได้ยินด้วยหูว่าคนทําชั่วยังมีอยู่ในโลกนี้มากมายนะ่นทั้งสิ้อันนี้เราหูดีตาดีเห็นกันอยู่นี่ปฏิเสธกันได้หมายว่าคนชั่วนั้นมีมากขนาดไหนทําชั่วกันมีมากขนาดไหนเราปฏิเสธไม่ได้แล้วทําไมเราจะปฏิเสธผลข้อการทําชั่วนี้ว่าจะไม่ให้ผลและจะไม่ยังบุคคลให้หรือสัตว์ต่างหากให้ไปตกนรกได้แล่าคนก็เคยทําชั่วมามากมายกัดกองขีดกลับขีดกันแล้วนั่นลบก็เคยเผาคน ผู้ชั่วช้าละโมกมาตี่กับตีกันแล้วใครจะไปสามารถลบล้างทั้งการทําชั่วว่าโลกทั้งหลายไม่ทํากันและไปลบล้างเ อ, อนรกว่าไม่มีกันเป็นไปได้เหร่ยพระพุทธเจ้าองค์เอกแท้เป็นผู้สอนธรรมเหล่านี้ไว้ด้วยความที่ทรงรู้ทรงเห็นมาประจักษ์พระไถ่แล้วฮเราจะเชื่อใครทีนี้เอาสอนเราอย่างนี้การพูดอย่นี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาว่า อุบายนี้เป็นเครื่องจะยืดหยิบยืดให้ท่านทั้งหลายสอนตัวเองนะไม่ใช่เป็นการขู่เข็นเป็นการดุด่าว่ากราบท่าน ท, ทั้งหลายยื่นเครื่องมือให้ไปสังหารสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายซึ่งอยู่ภายในตัวเองเอาให้ยังเด็ดขาดเ mm hmm. พราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นมันเผ็ดร้อนมากนะความกระชิกบกระซาบอยู่ภายในอืม mm hmm. แข่งกับทำพงศ า, ศาสดาแม้เราได้ศึกษารเราเรียนมาก็าตามได้ปฏิบัติกําจัดมันอยู่ก็าตามมันยังกําจัดเราอยู่ในขณะเดียวขณะเดียวกันนั้น โดยที่เราไม่รู้สึกตัวเลยเพราะมันละเอียดและออมากกว่าเราแหลมคมมากกว่าเราชั้นลาดมากกว่าเรานั่นเองนะพากันเข้าใจเสมอนี่แหละเรื่องการเกิดตายของกิตเป็นอยู่อย่างนี้ไม่ไม่ไปไหนนะไปตามภพภูมิที่เคยไปนรกก็มีกี่มีกี่หลุมท่านพูดไว้แล้วผิดที่ตรงไหนก็ในโลกเราก็ยังมีเล่าหูโทษครุโทษ มหันตทุกทุกธรรมดามหันตทุกมีนี่มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วการทําชั่วของคนเราก็เห็นทํำมากทาน้อยทําหนักทําเบาเห็นกันอยู่เต็มหูเต็มตานี่ยเพราะฉะนั้นคนะำว่านาลกจึงเป็นเช่นนั้นพอดีพอเหมาะ ก, ากันกับจักรโลกที่เป็นไปอยู่ตลอดเวลานี่คือความจริงที่เป็นอยู่ในวัดตะคนอันนี้เป็นอย่างนี้เห็นแต่สวรรค์ก็เหมือนกันสวรรค์ก็ตั้งแต่ ชั้นแ่กจนกระทั่งถึงพรมโลกสิบหกชั้นที่มีสุดทาวาสเป็นชั้นสุดท้ายอ้าวคำว่าสุดทาวาสเป็นยังไงเป็นที่อยู่ของท่านผู้บริสุทธิ์ฟังเสียงท่านว่ามันบริสุทธิ์ยังไงล่ะถ้าแออกนะอวิหาตะปาสุยาสาสุยาสีอัคตัสสีอาการิถาพรมโลกห้าชั้นนี้ท่านท่านเรียกว่าสุดทาวาสห้าชั้นพราะเป็นที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์ สุดทามว่าท่านแต่ตามสับเฉยๆว่าเป็นที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์ความจริงผู้นั้นยังไม่บริสุทธิ์เราพูดตามหลักเอาหลักธรรมชาติของการปฏิบัติของการรู้การเห็นของใจยันกันเข้าไปเลยเราอย่ามาพูดเพียงปริยัตยิเฉยๆผู้ปฏิบัตินันพานาจิตใจของตนเองจนก้าเข้าสู่ภูมิธรรมนี้แล้วเป็นผู้บริสุทธิ์เต็มที่แล้วเหรอยังไม่บริสุทธิ์เต็มที่ ถ้าอนาคามีขั้นได้ระดับเหมือนกันกับเราสอบได้ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นตนั่นได้ระดับจัดว่าสอบได้หกสิบเปอร์เซ็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปจนกระทั่งถึงเก้าเก้าเปอร์เซ็นตะ์ะเป็นพระอาาคามีเต็มที่เต็มนั่นเต็มเต็มภูมิแล้วนะเก้าเก้าเอร์เ็นตะคือเลื่อ น, นํำดับไปตั้งแต่ขั้นอวิหานี่ผู้ที่ปฏิบัติตน ได้ถ้าจะเทียบเปอร์เซ็นต์ก็เรียกว่าผู้สอบได้ห้าสิบเปอร์เซ็นตสอบได้ได้ระดับของขั้นอนณาคารีเพียงได้ระดับเท่านั้นนี่บริสุทธิ์ไหมดูหัวใจเจ้าของก่รู้ผู้ปฏิบัติต้องรู้ว่าตั้งตอนนี้ปิดไม่ได้เลยถึงขั้นมีแล้วปิดไม่ได้เป็นเสันทิฏฐิโกอย่างชัดเจนไปโดยลำดับตั้งแต่ก่อนมานี่ก็ยังชัดเจนอยู่แล้วนี่ก็ยิ่งชัดเข้าไปและปฏิบัติชัด ขัดเรลากิเลสของตัวเองเข้าไปโดยลำดับๆเพราะยังไม่บริสุทธิ์นี่ชั้นคําสุดทวารคือบริสุทธิ์กว่าสิ่งเหล่านั้นกว่าชั้นเหล่านั้นต่างหากท่านหมายความว่าอย่างนั้นคือขั้นเหล่านี้จะไม่กลับคืนไปสู่โลกอันเป็นความโกลกโกโซมมอีกต่อไปนั่นแต่เราจะแยกออกเข้าไปอย่างนั้นนี่จะเพื่อก้าวขึ้นสู่ความบริสุทธิ์พุทโธโดยแท้นท่านจึงเรียกว่าสุดทวารห้ า, าชั้นคืออวิหาอาตัตปาีรักษาจุลศี เป็นที่อยู่ของพระพระอนาคามีตั้งแต่พูดได้ระดับของขั้นพระอนาคามีที่แรกจากนั้นก็เลื่อนขึ้นไปในจิตภูมินี้นั้นเป็นเป็นจิตที่เป็นตัวเองไม่ต้องได้รับการอบรมแนะนำสั่งสอนกันเมื่อเวลาตายแล้วเป็นเป็นหลักธรรมชาติเช่นเดียวกับผลไม้ที่แก่เต็นที่แล้ว และแก่แก่แล้วยังไงก็จะหามเข้าไปหามเข้าไปจนกระทั่งถึงขั้นสุดนี่ไม่ต้องรับปุ๋ยอะไรอีกก็ได้ผลไม้ประเภทนี้นี่ขั้นของพระนาคามีตั้งแต่ขั้นแรกเริ่มนี่ไปลายจะทั่งถึงพระนาคามีเต็มภูมิก็มีลักษณะอันเดียวกันเทียบกันเช่นนั้นคือแก่ไปโดยลำดับลาดาอันนี้เร า, เอาอะไรมาเทียบเอาเราเทียบในหัวใจของเราของผู้ปฏิบัติ ถึงขั้นได้ระดับขั้นนี้แล้วจิตนี้จะเป็นอัตโนมัติของจิตคือจะหมุนตัวตลอดไปเลยหมุนอยู่ภายในจิตคือหมุนแก้แก้ตัวเองพูดง่ายๆหมุนขัดเราตัวเองหมุนซักฟอกตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปเห็นได้ชัดชัดชัดนี่ขั้นนี้ก็ยังไม่บริสุทธิน์นะฟังสิงจนกระทั่งอนาคามีเต็มภูมิก็ยังไม่บริสุทธิ์จนก้าวถึงอรหัตมรรม ก้าถึงอาารหัตธรมก็ยังไม่บริสุทธิ์นั่นปฏิบัติไา ป, ปฏิบัติไปถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาก็ยังไม่บริสุทธิ์จนกระทั่งทะลุพังอวิชชาลงขาดชะบันลงไปหมดเลยด้วยอํานาจของมหาสติมหาปัญญาเป็นต้นนั่นแลจึงเป็นผู้บริสุทธิ์เต็มภูมิในภาคปฏิบัติเห็นชัดๆเราไม่ต้องไปถามใครเลยพระพุทธเจ้าทุพุญต่อหน้าต่อตาเนี่ยนะแม้ว่าพระพุเจ้าประทับอยู่ตรงหน้านี้จะไม่ทูลถามเลยขอให้มันเห็นชัดๆเถอะนะหัวใจคนเราอืม่ม ถ้าลงได้เห็นเนี้ยเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านมอบไว้แล้วตามที่ทิโกะอย่างที่ท่านนอาราธนาให้พระองค์อยู่ตั้งกับตั้งการและจะมาหวังอะไรกับเราอีกกระทาโทษอีกล่ะเออเราสอนหมดแล้วนี่นาะน่ะอะไรแล้วก็สอนหมดแล้วมาหวังกับเราอะไรอีกนั่นฟังสิมันลึกซึ้งมากที่สุดเลยนี่เราพูดถึงเรื่องพอบเรื่องที่อยู่ทั้งฝ่ายต่ําคือนรกในมหาวิบาศนท่านกล่าวไว้แล้วหนังสือมหาวิบาศนท่านอธิบายไว้ละเอียดมาก ผมก็เคยอ่านเคยดูอยู่แล้วเหล่านี้นะอืมถึงถึงขั้นมหันตทุกข์ก็นรกเป็นขั้นมนั่นแหละถึงโลกันตะนรกที่สุดแห่งความทุกข์ทั้งหลายท่านก็บอกแล้วจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งความสุขทั้งหลายท่านก็บอกถึงพระนิพพานโดยลําดับดดลําดาเรื่อยไปนี่แหละพอถึงขั้นจิตท่านนี้แล้วขั้นอนาคาลมีบุคคลนี้แล้วเป็นจิตดําเนินตนไปโดยอัตโนมัติ เช่นเดียวกับผลไม้ที่แม้จะติดขั้วอยู่ยังไม่ได้หล่นจากขั้วยังไม่หามก็ตามเมื่อแก่เป็นเป็นที่แล้วควรแก่การจะหามต่อไปต้องหามเรื่อยเไปจนกระทั่งถึงขั้นสุกไม่ต้องมีปุ๋ยมีอะไรมาช่วยหละอันนี้ก็เหมือนกันจิตขั้นนี้ตายไปในขั้นอนาคารจะต้องไปสุท้าว่าอย่างที่ว่าพอถึงขั้นอนาคารมีแล้วขั้นอนาคารมีขั้น ไ ด, ได้เป็นภูมิของกิตขั้นนี้แล้วจะต้องปเกิดในขั้นอนณาคามีขั้นต้นเช่นอวิหาเนี่ยแล้วก็ค่อยเลื่อนจนไปอัตตาปาจุลสารุรสีอคณิฐาพอกล้าเอาจากอรณิฐาก็ผ่านถึงพระนิพพานเป็นหลักธรรมชาติของกิตดวงนี้เป็นเช่นนั้นเห็นประจักษ์ไม่สงสยัยสงสัยไปลกปู่เจ้าท่านสอนด้วยความรู้ความจริงเก่งขอยรู้สิจากขัข้นเจ้าได้ยังไงหาที่ค้านม่ได้นอกจากไม่เห็นไม่รู้แล้วก็ค้านกันวันยังค่ำข้านด้วยความ ม่หลับหูหลับตานั่นไม่ได้ลืมตาดูหักคันเป็นอย่างนั้นนี่เป็นนิลัที่นิสัยของทิเลตต้องเดาเสมอโดนเสมอหลอกเสมอแล้วก็สุดท้ายก็มาหลอกตัวเองนั่นแหละให้ขาดจากมากจากผลจากสวรรค์นิพพานไปเพราะฉะนั้นจึงเราตั้งหลายจงพละมัด ร, ระวังในเรื่องอนี้แต่กี้นี้เรากล่าวถึงเรื่องอจิตเรียกร้องหกความช่วยเหลือใต่อเวลาอย่าลืมธรรมะข้อนี้เพราะจะต้องก้าวเดินตาม ทางแห่งพบแห่งชาติพบน้อยพบใหญ่เป็นวิถีทางเดินของจิตโดยแท้เมื่ออวิชชายังมีอยู่จะไม่เป็นอื่นเลยเปน็นนนี้โดยแท้ร่ายพยายามประคองตนไปได้วยคนคุณงามความดีหากว่าจะยังไม่หลุดพ้นก็าตามเราก็ยังมีเครื่องสเสวยคือบุญกุศลที่เรานั้นได้บําเพ็ญคงว่าเมื่อเมื่อหากว่าเต็มที่แล้วก็อย่างที่กล่าวมาเนี่ยเอาจนกระทั่งถึงหลุดพ้นทั้งนั้นเมื่อบุดพ้นแล้วนั่นละ่ะ ท่านว่าอวิชชาปัจยาสังฆลัอวิชชาจตเววะธนิกับกงข่านะอวิชชาจตเววะเสสสิลาการนิโรธาสร้างฆารานิโรธเลืออ่อยไปเลยเมื่ อ, อวิชาดับอันนั้นดับอันนั้นดับดับไปหมดเลยนิโรโทโหตินั่นก็เหมือนกันที่การกานพูดบบเกอ อ, อะไรที่ว่าในสุดท้ายของอวิชาเราก็ลืมจังอย่างนี้พระทายกสูตรมามันก็ลืมจังเราพูดเอานี้เลย ต, ต, ต, ต, ตออั้งแต่บืองต้นอวิชชาปยาสร้างขาลาเน่ยท่านบอกว่าทั้งหมดนี้สมุทรโยโหติเป็นสมุทรไทยนะคือเรื่องของขอ ง, ของกิเลสรวนร้วนท่านบอกอย่างนั้นปแปลออกมาแล้วนะแล้วพอพอวิชชาดับลงไปเนอวิชชาจะตะเวทวเสสะวิลากานิโรธาสร้างขาลานิโรธาเรื่อยไปยจนสร้างถึงนิโรโธโหติเหล่านี้เป็นนิโรธทั้งทั้งมวลนนเอวเมตสัจเกวัลสัจดกขขัณฑสะจนิโรโธโหตินั้น เป็นนิโรธทั้งหมดนั่นเมื่อถึงถึงดับแล้วดับไปหมดควาพร้อมกันเลยนี่เมื่อดับอยู่ในจิตเห็นชัดๆภายในจิตแล้วอัะไรจะมาเกิดก็มันขาดทะบ้านไปหมดเวลามันเกี่ยวมันพันกันอยู่ระหว่างอวิชากับตัวเองจนไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรตัวเองเป็นอวิชาวิจชาเป็นเราเราเป็นธรรมหรือธรรมเป็นอวิชากชาหรืออวิชาชาเป็นเรามันพันกันอยู่มันก็ไม่รู้เมื่อสติปัญญายังไม่ทันมันพอสติปัญญาทันแยกกันออกฟาดปันหันแหลกราขาดทะบ้านลงไปแล้วทีนี้ เมื่อมันก็เห็นได้ชัดที่ว่าเมื่ออวิชาขาดไปแล้วมันติดต่อกับวิลายจิตดวงนี้ที่นี่มีติดต่อกอับอะไรมีสืบต่อกอับวิลามีอะไรมาเหนืออันนี้อีกมีใหมมันก็เห็นได้ชัดไม่มีอะไรหนึ่งนะมันก็รู้เองเท่านั้นนี่แหละบุญเจ้าวัชรทิฏิโ ก, ธ, โกธิโกเห็นเ อ, เองรู้เองรู้เองเห็นเองมาโดยลําดับลําดาจนกระทั่งถึงเวลาสุดท้ายก็นั่งที่พระอนัญตลาภิกขุองค์หนึ่งท่านไปเฝ้าบุรีเจ้าเราแน่ใจว่าท่านบําเพ็ญธรรมขั้นสูงในขั้นที่พิจารณาโดยลําพังตนเอง ได้เป็นอัตโนมัตินั่นเอง เ, องเป็นธรรมขั้นสูงสงสัยธรรมธรรมะแล้วก็จะไปเศร้าพระพุทธเจ้าทูลถามปัญหาพอไปถึงใต้ถุนพระกันตคุดีก็พอดีฝนตกเลยนั่งอยืนอยู่ข้างล่างนั่นเสียยังไม่ได้ขึ้นไปเศ้าพระพุทธเจ้าฝนพอฝนตกแล้วก็น้ําที่มันหยดย้อยลงมาจากชายคาลงมาถูกพื้นเนี่ยระหว่างน้ําอยู่ที่พื้นกับฝนน้ําฝนที่หยด ย้อยลงมาจากสายขามากระทบกันก็ตั้งเป็นต่อมเป็นอะไรเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปตั้งเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปท่านก็พิจารณาเทียบเทียงระหว่างจิตกับสังขารที่มันปรุงมันปุงมันแยบขึ้นกับระหว่างขันห้าพลังงานขันห้ากับจิตมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับดีก็ดับชั่วก็ดับเกิดขึ้นภาพดับพร้อมเกิดกับดับพร้อมดับพร้อมเหมือนกันกับน้ําที่มันกระทบกันตั้งเป็น เป็นฟองขึ้นมาตั้งเป็นต่อมขึ้นมาหรือเป็นอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่แล้วดับไปดับไปก็ลงไปเป็นน้าตามเดิมมันปน้ําตามเบิ้องหนึ่งนั่เกิดขึ้นจากกิจก็ลงไปดับลงไ ป, ปหากิจ ต, ตามเดิมตามเดิมท่านก็เทียบเพีย ง, ง, น, รรยง น, น, นี้เ ท, ที่งยงท่นาออบนบรรลุธรรมในขณะนั้นพอฝนตกหยุดเท่านั้นท่านกลับไปพุทิเลยไม่ทูลถามพระเจ้าอีกเลยเพราะไปบรรลุธรรมในขณะนั้นแล้วนั่นเห็นไหมาสารที่กลัประกาศป้างขึ้นในขณะนั้นโดยอาศัยน้ํา น, นั่นแหละเป็นธรรมเทศนาสอนท่านเทียบกับ ะระหว่างขันกับกิจทั้งท่านหรืออวิชชากับกิตทั้งท่านท่านรู้กันในขณะนั้นก็สังหารอวิชช า, าแหลกไปในขณะนั้นแล้วท่านก็กลับพุทิพอผลตกแล้วน่ะนนั่นไม่ทูลถามวิ้าอีกต่อไปเลยนั่นเลยไหมนั่นแหละทั้งๆั ท, ที่กําลังจะไปทูลถามทแท้ทําไมไม่ทูลถามก็เพราะสัรนิสิโกนั่นเองเป็นเครื่องประกาศแทนพระ อ, องค์อยู่แล้วนั่นเพราะธรรมนี้เป็นธรรมที่องค์สัจจะสอนวว่าเป็นองค์แทนเราก็ทราบอยู่แล้วสารนิโ ก, กก็คือองค์ศัสดาองค์หนึ่งนั่นแหละ พอทราบดังนั้นเองแล้วแล้วตั้งกับพอทราบแล้วตั้งกับกลับไปบุติท่านเสียท่านบรรลุธรรมใต้ถึงดากูดีตระดาดกูดีของพระเจ้าแล้วนะโดยอาศัยน้ําฝนนั่นแหละเป็นธรรมธรรมเทศนาเทียบเคียงกับทำภายในของท่านนี่ใหม่ทําไมท่านรู้จริงแต่ก่อนท่านสงสัยท่านมาท่านหาสงสัยท่านก็รู้ทั้งกลับนี่แหละพอถึงขั้นนี้แล้วรู้ทุกคน กำลังจะไปถามก็ยังไม่ถามฟังสิกลับเงียบเลยพ่อแม่ครูอาจารย์นั่นก็เคยพูดเราก็ยังไม่ดื้อหนีสดุดร้อนๆอยู่น้องเผอนั่นเองท่านพูดถึงเรื่องธรรมะตอนห้าโมงเย็นปัดกวารรรรดเสร็จเรียบร้อยแล้วอาบน้ําอาบท่าแล้วท่านส่งน้ําเสร็จแลียร้อยก็ขึ้นไปก็ขึ้นไปกราบสุนทนาธรรมะกันเ็กน้อยๆท่านไปพูดพูดเวลาไปสัมผัสถึงธรรมะขั้นนี้แหละ ท่านกับผึงถังขึ้นเลยเจ้าอธิบายเปี่ยงเปี่ยงเปี่ยงเปี่ยงพอสุดท้ายท่านก็ยกมือขึ้นเลยนะไม่ใช่ธรรมดาท่านยกมือสาธุท่านว่างนี่ไม่ได้ประมาทนะแต่แม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้านี้ก็ไม่ทูลถามว่าท่านว่างไหพอถึงขั้นธรรมะขั้นนี้แล้วทูล ถ, ถามท่านอะไรของอันเดียวกันท่นว่างอื้มอร่าในใครจะเป็นเอทําถ้าลงรู้ทำคันนี้แล้ว ถ้าถคึงทำคนนี้ก็เป็นธรรมที่ขั้นบริสุทธิ์ใครเป็นบริสุทธิ์เป็นบ้าล่ะนะเคยเห็นอหรหันต์เป็นบ้ามีไหมน่ะถ้าเราแล้วนะอออรหันต์บ้ามีไหมนั่นทันทีคือถึงขั้นนี้ไม่นขั้นอหรหันต์นื่องแต่เราจะเอามาตั้งชื่อนะถ้าไม่ตั้งชื่อท่านก็ไม่สงสัยนี่ก็เป็นอยู่แล้วนั่นจะว่างบริสุทธิ์เต็มที่ไม่มีอะไรเกี่ยวเนื่องเลยแต่ก่อนมนะันมีอะไรมีอะไรมีมากมีน้อยมันลุกมาโดยลำดับลำดับนั่นที่เคยพูดเสมอว่า ธาตุขันกับจิตมันมันเกี่ยวโยงกันก็รู้นะเวลาแก้กันไปพิจารณากันไปพิจารณาไประหว่างขันกับจิตมันไม่ติดกันมันไม่พันกันแม้จะอยู่ด้วยกันก็ตามมันก็เป็นต่างอันต่างจริงกันอยู่อย่างนี้มันก็รู้แน่คือรูปเวทนาสัญญาสังขันอย่างยิ่งรูปได้แก่รูปกายเวทนาได้แก่ความสุขความทุกข์เฉยในขันอันนี้เนี่ยในจิตก็มีแต่เป็นจิตที่เป็นความละเอียดเพราะวิชัยยังนี้สุขเวทนาทุกเวทนาในจิตก็ต้องมี แต่มนันนั้นเป็นเป็นเรื่องอีกอันหนึ่งส่วนเวทนาในขันอันนี้ไม่มีนั่นสัญญาความจำสรางขานความคิดความตุ่มวิญญาณความรับรู้เวลาสิ่งอะไรมากระทบทางตาหูจมูกนิกายเวลามากระทบท่า น, นก็ทราบแต่แต่ไม่ประสานกันนั่นท่า น, นก็ทราบที่นี้ไม่ประสานแล้วมันมันอยู่มันมันประสานกับอะไรนั่นเมื่อขันห้ามันปล่อยไปหมดแล้วมันประสานกับอะไรมันก็ประสานกับวิชาละซีนั่น แต่มันไม่รู้ตอนนั้นมันไม่รู้นะว่าหนักมีอันหนึ่งที่เป็นเครื่องยืนยันกันอยู่ว่ามันเป็นจุดที่สนใจมันอะไรอะไรนี่มันอะไรมันจุดเป็นจุดที่สนใจอยู่นั้นนั่นแหละตอนตอนนั้นมันไม่รู้นี่ก็มีอะไรอะไรนี่มันมีเท่านี้นอกนั้นมันหมดปัญหาไปหมดแล้วขันตั้งห้าหมดปัญหาไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกพูดซะทั้งหมดแดนโลกธาตุมันหมดปัญหาไปหมดย่นก็มาจนกระั่งถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารยืนยันของตัวเราเองมันก็หมดปัญหาไปหมดแล้วมันมีอะไร สิ่งที่มีก็เห็นกันอยู่ท่าชัดจิตพันธุ์ใจแต่มันไม่รู้ว่านี่คืออวิชามันก็ไม่รู้มันไม่รู้หากรู้อยู่ว่านี่คืออะไรอะไรมันเป็นสิ่งที่จะให้เกิดความสนใจเกิดความพินิจพิจารณาผูกพันกันอยู่ในนั้นนั่นแหละมันผูกพันกับธรรมชาตินี่ผูกพันกับอวิชามิถ้าเราจะตั้งชื่อก็คืออวิชามันนี่พอจิตมันสติปัญญามันพอตัวแล้วมันกําจัดอันนี้พังทลายลงไปจนไม่มีอะไรเหลือแล้วมันติดกับอะไรติดที่นี่นั่น ทีนี่มันเกี่ยวข้องกับอะไรและอะไรเหนือจิตอีกที่นี่ไม่มีอะไรเหนือนั่นเห็นไหมเวลาไม่มีอะไรมันก็บอกว่าไม่มีอะไรมันก็รู้ว่าไม่มีอะไรฮะเวลาสิ้นมันก็สิ้นจริงๆมันสิ้นไม่มีอะไรผู้ที่รู้ว่าไม่มีอะไรนั่นคืออะไรนั่นแหะคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไม่สิ้ น, ไ ม, นไม่สูญนั่นเห็นชัดๆแล้วพู้นี้ไปมันขายหาอะไรไปไ่ะเรื่องเทศนี้มวนประสาน เอาละหยุดยังงี้ดิดูหน้าดูหลังแหล่เทศกำลังเทศกำลังขผู้ฟังฟังเท่ในสิ่งแล้วจะหลานทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นหนึ่งสมบัติอะไรใช้ไฟบาวีแล้วอาละอ๋ะอ